ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงเป็นการเล่าเรื่องการรับคำพยากรณจากสัานักพระพุทธเจ้าทรงพระนามทีปังกรของท่านสมเมรธนาบทต่ตอไปคือหลังจากที่ ภูตเจ้าโสภณามาทีปังกรได้รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงอนาคตพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคโดมได้ แ, แก่สุมเมศธดาบทที่จะไปเกิดกันก็ทรงสันเสริญไว้โดยประการต่างๆและภายในประหัตของพระพุทธเจ้าและในมือของประหันต์ก็มีดอกไม้ที่ ประชาชนเขาบูชาพระเจ้าก็บูชาปณิธานสูงส่งของพระโพธิสัตว์ด้วยดองไ ม, ม้แปดกมแล้วก็เสด็จก็เวียนขวาก็เรียกว่าธรำรบาทศิลปคือเวียนขวาแล้วก็หลีดไป ในร้านตะกี้นศกก็บรชาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็ทําัตทักษิณประชาชนทั้งหลายก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่อยู่ในมือแล้วก็ทำบัตรทักษิณาะการบูชาในครั้งนั้นเป็นการบูชาที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากแต่ประเด็นสําคัญที่ควรทําความเข้าใจในประการต่อไปก็คือว่า คนที่รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นไม่เป็นคนที่ต้องผ่านการบำเพ็ญบรารมีคือเก็บสะสมความดีมาเป็นอนเนกนันท์คอย่างที่จะเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เรียกว่ายังไม่รับคำพยากรเนี่ย ได้กระทํามาในภพชาติต่างๆมากบ้างน้อยบ้างแต่พอมาถึงชาติที่เป็นสุมเมธทาบทุตรหรือสุมเมธธรรมนกก็ได้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแปดประการที่เราเรียกว่าธรรมะสมุททานคือการประชุมพร้อมแห่งคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกแปประการด้วยกัน คือถ้าเราลองเทียบเคียงกับการศึกษาในคดีโลกก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่ามันเหมือนกับคนที่จะจบปัญญาเอกมันต้องผ่านปจะญาโทมา ก, ก่อนแล้วจึงสามารถที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปัญญาเอกได้เพราะคนที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเยอะไป แต่ว่าคุณสมบัติมันยังไม่อยู่ในจุดที่จะรับการพยากรณ์ก็ยังเป็นนิยตะโพธิศัตร์คือไม่แน่นอนอย่างนั้นเองแต่ท่านสมุเมตตาดาบท น, นสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมหลักแปดประการคือธรรมสมุทฐานประการแรกเขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติคือได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ทาไมจะต้องเจาะจงที่มนุษย์ เราจะต้องมองว่าพวกอบายสีเนี่ยเป็นอภัพภัสสะไม่ได้มีความคิดไกลถึงขนาดจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรอกแต่นี้เทวดาเนี่ยมันจะเพลิดเพลินในกวามาสุขเทวดาไม่เคยเห็นไอ้ใจรักอะไรนะมันเป็นชีวิตที่เพลิดเพลินบันเทิงรื่นเริงสุขสำราญเพราะเทวดาก็แปลว่าผู้เที่ยวเล่นอย่างเบิกบานใจ มันเป็วความคิดที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยไม่ค่อยมีมันเหมือก็คนที่มีฐานะมางคังร่ำรวยและประมาทลองสังเกตนะเขาไม่เคยคิดถึงคนเดือดร้อนอยากไรแต่วก็มุ่งสแสวงหาความสนุกสบายเขาเบิกบานเพลิดเพลินของเขาอย่ายกตัวอย่างคนไทยเราเนี่ย มีเยอะที่ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปต่างประเทศก็ไปกันไปทัวพระสงฆ์องค์เจ้าเองก็ทัวต่างประเทศกันเราขาดแพงเงินสาต่างประเทศอยู่เยอะแยะกำลังจะหาเงินสาต่างประเทศกันอยู่คืนก็ขนไปจ่ายต่างประเทศซะเยอะก็ฟังมาถึงเดือนที่แปดแล้นะ บอกว่าเงินมันหายไปคือออกไปต่างประเทศประมาณเดือนละมืนล้านบาทก็ถ้าตัวเลขยังอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่ามาเข้าเดือนมกราเนี่ยก็ว่าเข้าไปก็แสนสามแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนมีฐานะดีเหล่านั้นเขาก็นึกถึงตัวเองเนี่ย ความคิดถึงคนอื่นนั้นจะต้องดยู่ตัวเองต้องประสบความทุกข์ด้วยแล้วจิตใจต้องพิเศษด้วยเพราะนร้มเราสังเกตว่าประกายความคิดจุดแรกที่เกิดขึ้นแก่ประโพธิสัตว์คือตอนที่ตัวเองเรือแตกอยู่กลางหมหาสมุทรมันประสบความทุกข์ทรมานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากจึงเกิดความคิดเอื้ออาทรต่ อ, นอคนอื่น ซึ่งมาอยู่ตรงนั้นเองก็เถอะมันคนคิดได้ยากเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดตรงนี้เราลองสังเกตว่าแม้แต่ท่านอยู่ท่ามกลางความสุขคือเป็นทายาทของกองมรดกจํานวนมหาศาลผ่านมาเจ็ดชั่วคนเนี่ยแต่ท่านกลับคิดถึงไกลเกินไปคือไม่ถึงกับไม่เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ก็เอาไปนะเอาไปรูปคุงบุญกุศล รูปวังฐานบา ร, รมีก็เป็นบา ร, รมีธรรมที่เสียสละทรัพย์สินเงินทองจํานวนมหาศาลขนาดนั้นได้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาวันจุดตรงนี้ทําให้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกายและจิตใจเขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติเลยนะฮะจะเจาะ จ, จงต้องเป็นมนุษย์สมบัติคืออยู่ในชีวิตของมนุษย์ และมีข้อแม้คือลิงก์ุสมบัติต้องอยู่ในเพศของผู้ชายที่สมบูรณ์แบบคือผู้ชายที่เป็นชายแท้บางครั้งบางคราวญาติยโยมที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วท่านแสดงเอาไว้บางครั้งบางคราวก็มีญาติโยมผู้หญิงมาพูดว่าทําไมให้ผู้หญิงเป็นพระุทธเจ้าบ้างไม่ได้เลยมันไม่ใช่ให้เป็นนะฮะคือใครจะให้เป็นเอาไม่ได้เพราะเขาเ้ากําหนดไว้เลยนะคือกําหนดไปเป็นระบบคุณธรรมและบารมีธรรมที่สร้างสมบรมูรณ์มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการเขาบอกลักษณะมหาบุรุษนะฮะไม่ใช่ลักษณะมหาสตรีเขาไม่ได้ว่า แต่อย่าลืมว่าเรื่องอื่นที่ผู้ชายไม่อาจจะเป็นได้ก็มีเยอะนะเช่นสวายอะสะทิสถานผู้หญิงเท่านั้นทําได้มีเครื่องประดับระดาหหมาประสาทผู้หญิงเท่านั้นทําได้ผู้ชายจะไม่ได้มล้วก็มีอะไรที่ที่ที่บุญญาณุภาพมันไปเจาะจงกลุ่มอยู่ เพียงแต่ว่าตรงนี้ก็กำหนดว่าจะต้องมีลิงคสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยเพศของบุรุษเพศประการที่สามในถือเรื่องใหญ่ เ, เรียกเหตุสัมปทาสมบัติคือมีวาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมผ่านพบชาติมามากสามารถออกบวชแล้วก็บาเพ็ญเพียนบรรลุผลเป็นพระหานได้ คราวนี้เราสังเกตว่าท่านปล่อยโอกาสได้หลุดลอยไปเพราะอะไรเพราะใจกรุณาต่อสปรพสัตว์ตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราได้โดยยากนั้น4ประการและสุมเมธธรรม า, น, มมานุปสุเมธดาวบทเนี้ท่านได้ทั้งหมดแต่ท่านก็ไม่ยอมเอาไม่ยอมสวยสุ กิจโชมนุสสปฏิลาโพการได้อันตรภาพมาเป็นมนุษย์ท่านได้ทั้งสองอย่างเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นบุรุษเพศกิจฉังมันจานชีวิ ต, ตังมีชีวิตยั่งยืนผ่านมาจนออกบวดเป็นฤาษีได้ปิญญาห้าได้สมาบัติแปดกิจฉังสัทธรรมมัสวุวรรณังมีโอกาสที่จะฟังพระสัทธรรมแล้วก็ อิโชบุทธานงป่าโดยอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าเกิดพอดีการเกิดของพระพุทธเจ้ายังมีเรื่องพระโมคคัลลานะท่านไปเชี่ยวประเด่นอยู่ในวิมาณวัตถุนะฮะในกุฏิกะในกายก็ไปพบเทวดาเปน็นอนมัสที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเพลิดเพลิอนอยู่ในสุขสมบัติ ที่เป็นทริปเซเพิรไม่รู้เรื่องอะไรว่าโลกมีหลวงพ่อเจ้าเกิดแล้วแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยคำถามนี้เป็นสมณะนะมาจากศาสนาไหนก็บอกว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเอ๊ะใครเป็นพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรก็บอกว่าเล่าประวัติให้ฟังโอ้ไปเกิดแล้วเหรอเมื่ก่อนเป็นพวกกันนะอยู่ที่เนี้ยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันวันนี้เข้าไปจุติเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วเหรอ กุศลแห่งอายุเทวดานี่นานจังแล้วพรโมกคัลลาน่าก็ น, นําเรื่องนี้มากราบทูลเล่าไ ว, ว้พระเจ้าสงทราบพระเจ้าวจริงผู้นี้เป็นสหายของเราก็อยู่เคยอยู่ด้วยกันมาในสวรรค์เช้นดาวดึงแต่ท่านก็เพลินในการมีสุขแล้วก็ปรารถนาคือทําบุญปรารถนาเพื่อจะไปบังเกิดในสุคติอยู่เรื่อยๆท่านก็ติดสุขนะฮะมัอนพบคือมันติด เราเห็นว่าพบเนี่ยมั น, ม, นมันเชื่อมโยงอยูอย่อุปทานด้วความเป็นเปน็นมากที่คนไปยึดติดมันและในที่สุดก็ไปไม่รอดมันก็ดีกว่าเป็นมนุษย์นะดีกว่าตรงตรรกแต่ว่าก็สู้เป็นพระยาบุคคลไม่ได้แต่ตรงนี้คงต้องปล่อยตามพื้นฐานของใครว่าจะมองนะนะเจตสินอิอห เพาะไอเหตุสัมมาทฐาสมบัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าเราเทียบอย่างที่ยกตัวอย่างที่เทียบไปละนานแล้ววันก่อนนะฮะว่าท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาทิกะยำพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญบารมีสี่แสนนสงไขยกับแสนกับเสีอสงไขยกับแสนกับตัมมาสาวกเนี่ยต่ากว่าพระปเจกับพุทธเจ้านิดหน่อยคือประมาณสองสงไขยกับแสนกับ เราเจอกับพุทธยาก็อยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าคงจะประนีตต่างกันแต่ไม่ให้รายละเอียดไว้เพราะงนั้นพอมาถึงระดับพระอระหันต์เนี่ยจากการสังเกตพระอระหันต์ทั้งหลายในเทระคาถาเทรีคาถาพวกอปาทานอะไรต่างๆคือจะหลักได้อย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่เว้นไวแต่พวกมหาพิญญานะ แต่เริ่มสร้างบารมีปรารถนาที่จะพบพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตตะถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าปฐุมุตตะตามลําดับพระพุทธเจ้ายี่สิบเก้าองค์นะยังอยู่อนาคตอีกหนึ่งองค์คือพระษีย่ไม่ใส่ก็นับแถบพระพุทเจ้าเราก็แล้วกันนะครพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตตะอยู่ระดับที่สิบสาม แล้วก็ในสารกับเป็นกับที่เทอเกับที่หนึ่งแสนะกับที่หนึ่งแสนคือนับกันมาตั้งแต่นั้นนะฮะตั้งแต่สมัยที่ประโพธิสัตร์ของเราเริ่มเริ่มมีความคิดที่จะเป็นพระโพธิจารเพราะใช้เวลาไม่เบาเหมือนกันก็หน่งสงไขยกระแสนกับ เห่ท่านเหล่านี้พวกพระยาสาวกทั้งหลายจะการตังเกตยกเวน้นยกเว้นเนียยเว้นระษาริบุตรพระโมคคัลลานะประบนวันนาพระเขียมาพระมหาโกธิตะพระพัทธกธัจนาหกรูปนะหกท่านก็รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นประการที่สี่นั้นก็เรียกว่าสัตถุทัศนสมบัติ ไม่ใช่บรรดชาสมบัติก่อนต้องออกบวชเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งและต้องเป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าสมาธิทิคือมีปัญญาเน้นชอบเพราะงั้นเป็นดาวบวชก็ดีเป็นฤาษีก็ดีเป็นบริภาชคก็ดีที่จริงพวกนี้ไม่ค่อยเพี้ยนนะฮะเพียนแต่ว่าท่านไปปักใจฝังใจอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็พูดจากันง่ายเข้าใจกันง่ายคนที่พวกแรงแรงเนี่ยพวก พวกนิยตามิจาริทิพวกอาชิตเกศกรรมคนพวกสันชัยเวรัตถบุตรพวกปกธธกุกุทธกัจเจนะอะไรๆพูดยากจังแล้วท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอะไรกันท่านวันท่านสุมเมตดาบุก็เป็นอยู่ในเพศของบรรพชาสมบัติอยู่ในเพศของนักบวชประเภทสมาธิ พอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปีติประโมดนะพลองสังเกตว่าคนเราไม่จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดปีติประโมดเสมอไปะพวกอันเะเดียทีทั้งหลายในสมัยนั้นก็เจอพระพุทธเจ้าแล้วเกกฤติยาเห็นมไหมพุนจิตมนุษย์เป็นสำคัญมากเลยเห็ mm hmm. นคนดีๆแทนที่จะชื่นชมกับเขาไม่ชื่นชมเกิดริษยาเขาแล้วก็ลงทุนเบียดเบียน เราจึงพบคนเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเป็นนั้นมากนันก็คือโลกก็คือสัตว์ตวโลกที่มืดบอดด้วยเหตุผลแล้วก็สติปัญญาแทนที่จะํามใจเรื่มใสาเท่านั้นเองนะฮะก็จะได้อะไรอีกแก้แต่บางพูกก็ริษยาสุมเมธธรรมนบเนี่ยมันแสดงเห็นถึงบารมี พอรู้ว่าพระเจ้าเกิดท่านเองขอจองขอร่วมร่วมทำงานรับเสด็จด้วยนั้นแสดงพื้นฐานตรงนี้ไม่ใช่พื้นฐานธรรมดาก็คล้ายๆกับคนบ้านเรา้องสังเกตมีกิจกรรมต่างๆภายในวัดบางทีมีห้องกรรมฐานนะนะห้องกรรมฐานได้มาเอบปมเองที่ตึกสวเนี่ยบางทียังมีบ่อย ไม่ใช่บ่อยหรอกฮะหลายครั้งแล้วคนมีมานั่งกรรมาฐานนั่นแหละพอเพื่อนเผือก็มวยกระเป๋าเลยบางทีถือกระเป๋าใหญ่มาเพื่อนเผือจับใส่กระเป๋าใหญ่ตัวเองเดินออกหน้าตาเฉยเลยเราไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อรองเท้าเจอหาย แตนนี้คื อ, ค, อคือคนเนี่ยบรรยากาศขนาดอบรมกรรมฐ า, านยังไปขนาดนั้นได้เหตุแม้พื้นจิตมนุษย์เนี่ยจะเป็นตัวกาหนดสิ่งสัมผัสตลอดปัญหาว่าเขาคิดอย่างไงมากกว่าที่เขาจะเป็นใครแต่ว่าคนวางคนนั้นจะหาประโยชน์ได้ตลอดแสดงว่าภูมิธรรมสติปัญญาก็สูงมาก ระการต่อไปก็คือมีคุณสมบัติไม่ใช่เป็นนักบวชธรรมดาธรรมดาแต่เป็นนักบวชที่ผ่านการปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้ฌานแต่นี้ได้ได้ครบเลยนะฌานสมบัติแปดอภินยาห้าเลยก็เรียกว่าใกล้นิพพานกันไปมากแล้ว วิญญาข้อที่หกเกิดก็ไปนิพพานแล้วนะบรรลุพาะผลเป็นพระหันแล้วแต่ว่าท่านก็ไม่ไปและสัตธ์ทุรัสนสมบัติจะต้องได้พบเห็นพระพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าตัวนี้เราจะเห็นว่าหกข้อตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท่านได้สัมผัสแล้วในขนานั้นสมบูรณ์แล้วในขณะนั้นเลยําไปแต่ อ, อีกสองข้อเนี้ย มันมีเรียกฉันตาสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยความพอใจในสัพพัญยุตญาณในการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าทำงานเหนื่อยยากลำบากเสียสละทุกทรมานเจ็บปวดรวดร้าวยังไงก็ตามขอให้ได้เป็นนะกันตอนจึงมีอธิการสมบัติมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่มนุษย์สามัญทำไม่ได้ทอดตัวลงเป็นสภาใน้คนจานวนมหาศาลเหยียบนี่ไม่ได้ใชเรื่องง่าย ดูว่าสละชีวิตได้เป็นอาหารของเสือเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านทำได้เพราะพระโพธิสัตว์ที่มีลักษณะเด่นตรงนี้ชันทตาเนี่ยมันแปลงชันทตาคือความพอใจมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไปก็คือไปเลยต้องบรรลุจุดหมายปลายทางตรงนั้นตายก็คือตายเลยจะไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดรวดราวทุกทรมานคือลักษณะเด่น หมาบรุษเขาเป็นอย่างนั้นรถ ล, ลันกันลงมาพวกหมาบรุษทั้งหลายนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นมมีจุดเด่นของเขาตรนก็าทำอะไรเนี่ยเขาจะมีความมุ่ง ม, มั่นเป็นพิเศษแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจยอย่างพวกหมาราชของเราหมาราชกู้ชาติของเราทั้งสองพระองค์เราสังเกตว่า ถ้าความมุ่งมั่นต่ำและโดยเฉพาะพระเจ้าตากสินซึ่งมันยุ่งยากกว่าสมัยพนเรสวนเยอะเราระนเรศวรท่านไม่ต้องทะเลาะ ก, กับคนไทยคนไทยยอมรับท่านเพราะท่านเป็นอุปราชแต่พระเจ้าตากสินนั่นเป็นสามัญและเป็นข้าราชการผู้น้อยกกต่างเยอะแตกกันเละหมดเลยรบกับคนไทยด้วยการโน้โงคอยวาดระแวงต้องอะไรต่ออะไร มันต้องทุ่มเทสุดจิตสดใจเลยเพราะเราเห็นว่าพลังของอิทธิบาทเนี่ยมันไปแรงมากทั้งฉันท่ทาทั้งวิริยะทั้งกิตตะทั้งวิบังศาเนี่ยไบหมุนๆตลอดต่อเนึ่งจึงทาประสบความสําเร็จเพราะฉะ้คุณสมบัติเหล่าเนี้ยพอมาถึงระดับเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามันหนักกว่านั้นเพราะในฉันตาเกีับความพอใจเนี่ยต้องพอใจจริงๆเลย เขาบอกว่าได้แต่ต้องตายก่อนก็ เ, เอาทายก็ตายเลยเห็นไหมเพราะงั้นท่านท่านจึงสละชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งประสพยุตยาณปัญหาตรงนี้ปัญหาที่มีคนวิภาควิจารพระเวชนดรเรื่องสละลูกสละเมียอาจะมาเจอปัญหานี้บ่อยและบางครั้งเนี่ยเราต้องอธิบายเยอะ บางครั้งก็ไม่ต้องอธิบายมากเท่าไหร่นะเขาเข้าใจบอกว่าคุณไม่ใช่หมาบุรุษคุณคิดอย่างหมาบุรุษไม่ได้คุณทำไม่ได้คุณพูดไม่ได้แต่หมาบุรุษนั้นเขาก็คิดทำพูดอย่างคุณไม่ได้เหมือนกันเพอตาเ้าคิดทำพูดอย่างคุณเขาก็ไม่ได้เป็นหมาบุรุษ เพราะเราจะเห็นว่าที่จริงๆเนี่ยถ้าเรามองดูเช่นทหารตำรวจที่อยู่ตามชายแดนนองกลางดินกินกลางทายดูแลบ้านเมืองเนี่ยใครบันทนได้สักกี่คนพวกแพทย์พวกพยาบาลที่ดึกดืนเที่ยงคืนแล้วไปรักษาคนเจ็บคนป่วยอยู่เนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยคือคนเหล่านี้เป็นคนที่จิตใจไม่จะธรรมดาทต่เนั้น จิตใจที่มีเมตตากรุณาสูงมีความเสียสละสูงมีความรักชาติบ้านเมืองสูงในสํานึกชาติสูงมั้นก็มองที่ความสุขใจของเขาคือการได้ทําประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองตัวตายชื่อเสียงเกียรติคุณความดีก็ยังอยู่นั้นก็คิดแบบสามัญ น, น่ะนะแต่ว่าไม่ใช่สามัญทั่วไปสามัญทั่วไปคิดไม่ออก มันความคิดตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่ามันตัวฉันาตาเนี่ยมันมองเห็นแล้วก็ท่านมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเพราะงั้นทำให้ท่านพอใจสูงขึ้นเพราะว่าผู้เจ้าที่ปังกรนชงพยากรมามามาดนะฮะดังนั้นทำให้แรงตรงเนี้ยเราลองสังเกตว่าแรงตรงเนี้ยมั น, ม, นมันจะมีสองข้อเนี่ยจะเป็นตัวหลักและฉันาตาไม่ใช่ว่าพอใจโดยไม่มีเหตุมีผล มันบนเส้นทางของการสร้างความพอใจเนะนี่ยทนมีปัญญาเข้ากำกับมีจารย์ตรวจสอบก็กากับไม่ใช่ว่าพอใจเรื่อยไปแล้วก็กระทำละเอียดมีผลเคาเรียกอธิการะสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยการกระทำอย่างยิ่งยวดทุกทรมานเจ็บปวดเสียสละไม่ต้องการได้อะไรแต่ต้องการได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ ช่วยโปร่งได้องค์เดียวนะฮะแต่ว่าช่วยโลกได้เป็นนันมากเขาบอกว่าทอดทิ้งประนางยโสธราพินพาให้ลูกลำบากบอกว่าคนอยู่ในวังในลาบากแต่คนที่ไปนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ลําบากกว่านะที่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยเฉาเพาะลูกเฉาเพาะเมียแต่ว่าช่วยชาวโลกมาจาก เวลาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วรวมหกร้อยปีแล้วนะฮะเพราะว่าเอาสี่สิบห้าปีมาบวกกับสี่สิบสามลองดูเถอเยอมันได้แปดสิบแปดปีแล้วสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดปีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ต, ตาเร็วเกลกเป็นเ อ, อกอันนั้น แล้วก็ตัวผลักดันเป็นพลังกับเคลื่อนตลอดหรคือความพอใจอย่างยิ่งยวดและการกระทาอย่างยวดยิ่งซึ่งสามัญชนทาไม่ได้พราะท่านจริงไม่ใช่สามัญผลสำเร็จจริงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์สาหรับคนทั่วไปแต่ว่าเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดานต้องเป็นขนท่านอย่างนั้นเองทั้งฟังอะไร แต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไยบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี